ได้ยินว่าพระนางศีวลีเทวีนั้นแม้ถูกพระมหาสัตว์ตรัสว่าเธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอก็ยังเสด็จติดตามพระมหาสัตว์อยู่นั่นเองพระราชาก็ไม่สามารถให้พระนางศีวลีนั้นเสด็จกลับได้แม้มหาชนก็ตามเสด็จพระองค์อยู่นั่นเองก็แต่ที่นั้นมีดงแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกล ลำดับน <Es> <an> ั้นพระมหาสัตว์ทอบพระเนตรเห็นแนวป่าเขียวชอุ่มมีพระราชประสงค์จะให้พระนางเสด็จกลับเมื่อดำเนินไปได้ทอบพระเนตรเห็นหญ้ามุงกระต่ายในที่ใกล้ทางพระองค์จึงทรงถอนหญ้ามุงกระต่ายนั้นตรัสเรียกพระเทวีมาตรัสว่าแน่ศรีวลีผู้เจริญเธอจงดูหญ้ามุงกระต่ายนี้ ก็ย่ามุงกระต่ายนี้จะไม่อาจสืบต่อในกรณี้ได้อีกชันใดความอยู่ร่วมกับเธอของอาตมาก็ไม่อาจจะสืบต่อกันได้อีกชันนั้นแล้วได้ตรัสกึ่งคาถาว่าย่ามุงกระต่ายที่ติดกันอยู่แต่เดิมซึ่งอาตมา ถ, ถอนแล้วนี้ไม่อาจสืบต่อกันไปได้อีกชันใดความอยู่ร่วมกันระหว่างเธอกับอาตมาก็ไม่อาจสืบต่อได้อีกฉันนั้น เพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ผู้เดียวอาตมาก็จะอยู่ผู้เดียวเหมือนกันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้เดียวเอกาความว่าแนศศิวลีผู้เจริญย่ามงกระต่ายที่ติดกันอยู่แต่เดิมอันอาตมาถอนแล้วไม่อาจสืบต่อได้อีกชั้นใดการอยู่ร่วมกันระหว่างเธอกับอาตมาก็ไม่อาจทำได้แม้ฉนนั้น เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ผู้เดียวณศีวลีแม้เธอก็จงอยู่ผู้เดียวเหมือนกันพระมหาสัตว์ได้ประทานพระโอวาทแก่พระนางศีวลีเทวีด้วยประการชนิดพระนางได้ฟังพระดํารัสของพระมหาสัตว์แล้วตรัสว่าจำเดิมแต่นี้ไปเราจะไม่ได้อยู่ร่วมกับพระมหาชนกนรินทรราชอีกพระนางไม่อาจจะทรงกลั้นโศกาดูน ก็ค่อนสวงด้วยพระหัตถ์ทั้งสองทรงปริเทวนาการร่ำไรอยู่เป็นอันมากถึงวิสัญญีภาพลม้มลงที่หนทางใหญ่พระมหาสัตว์ทรงทราบว่าพระนางถึงวิสัญญีภาพก็สาวพระบาทเสด็จเข้าสู่ป่าขณะนั้นมูอามาดมาสงพระสรีระแห่งพระนางนั้นช่วยกันถวายอยู่งานที่พระหัตถ์และพระบาทพระนางได้สติเสด็จลุกขึ้น ตรัดถามว่าพระราชาเสด็จไปข้างไหนมูอมามัดย้อนทูลถามว่าพระแม่เจ้าก็ไม่ทรงทราบดอกหรือพระนางตรัดให้เที่ยวค้นหาพวกนั้นพากันวิ่งไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างก็ไม่พบพระราชาพระนางทรงปริเทวนาการมากมายแล้วให้สร้างพระเจดีย์ตรงที่พระราชาประทับยืน บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นและเสด็จกลับกรุงมิถิลาปายพระมหาสัตว์เสด็จเข้าป่าหิ ม, มวันทําอภิญยาและสมาบัติให้เกิดภายในเจ็ดวันมิได้เสด็จมาสู่ทินมนุษย์อีกปายพระนางศรีวลีเทวีเสด็จกลับแล้วโปรดให้สร้างพระเจดีย์หลายองค์ณที่ที่พระมหาสัตว์ตรัสกับช่างสอนตรัสกน า, างกุมารี สเสวยเนื้อที่สุนักทิ้งตรัสกับมิคาชินดาบทและตรัสกับนารธดาบททุกตำบนแล้วบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นทรงแวดล้อมไปด้วยเสนาขณิกกรภายหลังเสด็จไปถึงมิิลานครทรงอภิเศกพระราชโอรสณพระราชอุทยานอัมพวันทรงส่งพระราชโอรสอันมูเสนาแวดล้อมแล้วเข้าพระนคร พระองค์เองทรงผนวดเป็นดาบสินีประทับอยู่ณพระราชอุทยานนั้นทรงธรรมกสินบริกรรมก็ได้บรรลุฌานไม่เสื่อมจากฌานเป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าในที่สุดแห่งพระชนมายุฝ่ายพระมหาสัตว์ก็ไม่เสื่อมจากฌานได้เข้าถึงพรหมโลกเหมือนกัน พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัรนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในการโกนตถาคตก็ออกมหาพิเนศกรมเหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่าเท้าสักกะเทวราชในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุท ธ, ธะในบัรนี้ พร้อมทิสาปาโมกในครั้งน hmm. ั้นได้มาเป็นพระกสปะในบัดนี้นางมณีเมฆขาเทพธิดาผู้รักษาสมุทดในครั้งนั้นได้มาเป็นอุบลวณาภิกษุณีในบัดนี้นารทดาบทในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้มิคาชินะดาบทในครั้งนั้นได้มาเป็นพระโมคคลานะในบัดนี้ นางกุมาริกาในครั้งนั้นได้มาเป็นนางเขมาภิกษุณีในบัดนี้ช่างสอนในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนนท์ในบัดนี้ราชบริษัทที่เหลือในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ศรีวลีเทวีในครั้งนั้นได้มาเป็นราหุลมารดาในบัดนี้ทีขาวุกุมารในครั้งนั้น ได้มาเป็นราหุลในบัดนี้พระชนกพระชนนีในครั้งนั้นได้มาเป็นมหาราชสกยสกุลในบัดนี้ส่วนพระมหาชนกนรินทรราชก็คือเราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เองมหาชนกชาดกจบ